ข้อความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟั ง, ง, งทั้งหลายการร่วมบโพธิญาณในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของผู้ที่ถามมาในกลุ่มนี้เป็นนักศึกษาหลักสูตรธารณสุขศาสตร์บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลธอถามว่า ปัญหาวัดพระธรรมกายขณะนี้เป็นอย่างไรแล้วที่จริงเราจะพูดว่าเป็นปัญหาของวัดมันก็ไม่เชิงนะครัวัดก็ไม่ได้มีปัญหาใดแต่ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นก็คืออดีตเจ้าวัดเรื่องก็กำลังเดิมดำเนินอยู่ในศาลทั้งโลก ส่วนในศาลรสรงฆ์นั้นก็ปรากฏรุนเงี่ยบง่ายไปก็คงจะกลายเป็นครึ่นกระทบฝั่งไปส่วนคดีทั้งโลกนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคดีแต่ละเรื่องเนี่ยต้องกินเวลานานต้นกว่า อ, อะไรจะเป็นอะไรก็ต้องรอกันอีกนานก็ไม่ควรไปติดใจใส่ใจอะไรมาก คือการกล่าวหากันใครก็กล่าวหากันได้แต่ว่าผิดถูกอย่างไรศาลก็เป็นคนวินิจฉัยก็มือคดีถึงที่สุดจึงว่ากันปิดหรือถูกตอนนี้โดยหลักการก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยบริสุทธิ์เพื่อทมให้ไม่ต้องไปตั้งปัญหาถามในโอกาสต่างๆ สมมติว่าเรารู้ไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรือว่าไม่รู้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเหมือนกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนไม่ใช่เป็นเรื่องของวัดคือผิดถูกมันก็เฉพาะตัวคนนั้นแต่เมื่อศาลยังไม่ได้ชี้ขาดลงไปเราก็ต้องยอมรับว่า จำเลยยังบริสุทธิ์อยู่สาบเท่าที่คดียังไม่ถึงที่สุดข้อต่อไปถามว่าทำไมชาวบ้านจึงนิยมก่อสร้างสิ่งต่างๆให้แก่วัดมากมายเกินความจาเป็นทั้งๆที่บางวัดมีความจาเป็นน้อยมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามชั้นราคาเป็นร้อยล้านพันล้านในขณะที่ทินทุร ก, กันดาลไม่ค่อยมีอาการเรียนทั้งๆที่ มีความจำเป็นมากกว่าถ้าเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ทำไมทางวัดถึงไม่ปฏิเสธญาติโยมกันบ้างจะแนะนําให้ไปสร้างอาคารให้แก่โรงเรียนในตินตุรกันดานที่ขาดแคลนอาคารเรียนบ้างคือเราพูดเราคิดได้ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็รู้สึกว่านักเรียนมีความสําคัญนักศึกษามีความสําคัญแต่คนที่เขาทาบุญเ้าก็คิดอีกเรื่องหนึ่ง สมมติว่าพระจะปฏิเสธแล้วก็เสนอแนะให้ไปสร้างโรงเรียนเนี่ยเขาไม่สร้างหรอกคนเราเนี้ยหรือก็สศรัทธาที่จะสร้างวัดคือศรัท ธ, ธาบำเพ็ญกสสุศลสาธารณะเนี่ยมันมีอยู่สามระดับใหญ่ๆนะครับะดำหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการบูชาในทางศาสนาเป็นการบำเพ็ญบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์คือบุญไว้ ในระศาสนาเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวผลหลังจากได้ตายไปแล้วในขณะที่มีชีวิตยอยู่ก็มองสิ่งเหล่านั้นด้วยความชื่นชมก็เกิดปีติปาโมทขึ้นตลอดตั้งวงสาคณะญาติและเพื่อนฝูงทั้งหลายเมื่อตายไปแล้วก็เป็นที่พึ่งพานักของผู้บนเพ็ญบุญ แนวที่สองนั้นเป็นแนวโรงพยาบาลเป็นกุศลสาธารณะแล้วมีลักษณะที่อิงอาศัยคือว่าเมื่อตนสร้างโรงพยาบาลตัวเองก็เป็นแขก VIP ที่โรงพยาบาลจะให้การดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็มีสวัสดิการในด้านต่างๆเป็นนั้นมาก ส่วนโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องของรัฐรือรัฐเขามีหน้าที่สร้างโรงเรียนอยู่แล้วแล้วคนที่เขาสร้างเนี่ยเขาต้องเห็นประโยชน์จากการศึกษาหมายความเห็นประโยชน์แก่ลูกหลานเขาเองก็ต้องมีลูกหลานแล้วก็ว่ากันตามความเป็นจริงในขณะ น, นี้โยชนเราเกิดน้อยโรงเรียนในส่วน ห่างไกลธุรกันดาร น, นะครับแคลนจริงแล้วใครจะไปสร้างโรงเรียนในท้องถิ่นที่จเจริญนักเรียนคนลดลงไปเพราะเวลาเนี้ยถ้าเราดูให้ดีแล้วเ น, นี้ยคนยังนิยมสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมากสร้างเป็นร้อยร้อยล้านเป็นพันนับพันพันล้านในโรงพยาบาลกับวัดคนยังนิยมสร้างกันอยู่ อันหนึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลในทางศาสนาตามฐานะของพุทธศาสนิกอันหนึ่งก็เป็นบำเพ็ญกุศลสาธารณะที่ตนจะได้อิงอาศัยอยู่ด้วยในโอกาสต่อไปคือการมองปัญหาเหล่านี้เรามองตามความคิดเราไม่ได้เขาพอาไม่ใช่ผู้บริจาค ล้ว เ, เองก็เถอะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็คิดอีกเรื่องหนึง่งคือทำอะไรก็ตามนะฮะโดยพื้นฐานของคนเราแล้วก็ต้องนึกว่าตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรสามัญชนก็คิดอย่างนั้นตัวเองจะได้ประโยชน์อะไรเขาเลยวัยเรียนมาแล้วนคนที่จะไปสนับสนุนเรื่องการ เ, าเรียนนั้นจะน้อย ลองจัดกิจกรรมขึ้นมาก็ได้นะฮะกิจกรรมเรียรายออกโทรทัศน์ทางวิทยุเนี่ยวัดนะเขาไม่ทํากันหรอกจะออกโทรทัศน์วิทยุเนี่ยแต่โรงพยาบาลกับโรงเรียนนะเราจะเห็นชัดเจนเลยโรงพยาบาลเนี่ยจะได้เงินมากกว่าหลายเท่าต่อการสร้างโรงเรียนหลังหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นเขาผ่านการเรียนมาแล้ว ลูกหลานเขาก็ผ่านการเรียนมาแล้วแต่ว่าการตายเนี่ยชีวิตหลังตายเนี่ยทุกคนยังไม่ได้ตายแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องบุญกุศลเขาก็ทำของเขาอย่างนั้นเราจะไปขัดศรัทธาอะไรก็ไม่ได้หรอกแล้วว่ากันตามความเป็นจริงทั้งสามอย่างเนี่ยทั้งวัดทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสาธารณสถาน แต่วัดมันเป็นบุญยสถานด้วยเป็นสาถานาสถานด้วยเป็นาศนาสนสถานด้วยโรงพยบาลก็มีลักษณะเป็นสาธารณสถานแต่ก็ไม่มีใครถือว่าเป็นบุญยสถานไม่มีใครถือว่าเป็นาศนาสนสถานแต่ว่า บุญญาสถานน่ะบางทีก็ปกฟังได้นะฮะแต่ว่าใครก็ไม่คิดไปเรื่องบุญหรอกก็คิดเปน็นแนวสงเคราะห์เราเรียนก็คิดเปน็นแนวสงเคราะห์ไม่ได้คิดเปน็นแนวการทําบุญตรงนั้นคนเหล่านี้เราพูดยังไงเนี่ยเขาก็าไม่เปลี่ยนใจนอกจากก็เปลี่ยนไปสร้างที่วัดอื่นเรื่องสัทพาของคนเนี่ยเวลาเขาปักใจลงไปแล้วเนี่ยเราคิดเองไม่ได้เรา คือต้องถามมาทาไมเขาคิดอย่างนั้นเราะก็ต้องการจะทำบุญเขาเขาก็คิดอย่างนั้นก็ต่อไปถามว่ากรณีวัดรธรรมกายถ้าจะวิเคราะห์ในประเด็นของบุญและบาปตามคำสอนในพระพุทธศาสนาก็เรียนถามว่าการบริหารจัดการของคณะกรรมการวัดที่เป็นข่าวอยู่ขณะนี้ ทั้งที่เป็นพระและที่เป็นคารวาจะถือว่าได้บุญได้ไดบาปก็ต้องได้บุญเนี่ยนะส่วนในช่วงของการบริหารนะได้บุญแต่รายละเอียดเราไม่รู้นะมันมีการยักยอกมันมีการหายหกตกหล่นอะไรเนี่ยเราไม่รู้ก็ไปว่าก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวการกระทําทั้งหมดอนะ่ยเป็นการกระทำแบบบุญญากิริยาเป็นทานาไมเป็นศีลไมเป็นภาวนาไ ม, เ ป, าามเป็นว ย, ยาวัจจะไม เป็นธรรมัทสวรรณใหม่เป็นธรรมเทสนามัยเป็นอปภิญญาณใไม่มก็ครบนะฮะบุญกิจวัตรสิทธิประการเนี่ยก็ครบเลก็ถือว่าเป็นวัดที่มีกิจกรรมในแนวบุกเบิกก้าวหน้าอาจจะล้าเส้นไปบ้างนะฮะในบางการณีเนี่ยแต่เราก็มองเห็นว่าเป็นคนเรื่องของคนรุ่นใหม่ มาความมาพระเองก็ไม่ได้รับการหุดหืออบรมมาในสำนักของครูบาอาจารย์ท่านก็เติบโตมาโดยลําพังของท่านเดียวคนที่เข้ามาก็เป็นคนเข้าวัดรุ่นใหม่ก็รู้ประขอบข่ายของวัดตามที่ตนได้สัมผัสในชีวิตประจําวันของตนเองมันเป็นเรื่องที่เราต้องมองด้วยความเห็นใจแล้วก็เข้าใจเขาเหมือนกัน คือคิดอย่างนั้นถ้าไม่เอาวินัยกฎหมายเข้ามาจับเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอวินัยมีกฎหมายเข้ามาจับมันก็มีปัญหาในบางประเด็นไม่ใช่ทุกประเด็นหรอกแต่ประเด็นไหนมีปัญหาหรือไม่มีปัญหานั้นมันต้องศึกษาไรายละเอียดคือไม่ใช่ไปฟังกระแสต่างๆแล้วก็กระโจนเข้าซ้ําเติมเพื่อนเลยเกิมาเอง วันก็นเนี่ยมีโยมก็โทรมาไปทํานองอะไรคล้ายๆจะไปหาคะแนนเสียงห้าหมื่นเพื่อสร้างพระราชบัญญัติอะไรในแนวเนี้ยนะแต่ฟังไม่ได้สับเพราะอาตมาไม่ไม่เคยพูดที่จะรณรงค์หากคะแนนเสียงอย่างงั้นแล้วก็ไปหาทวัต ธ, ธรรมกายก็บอกว่าวัตธรรมกายก็บอกพวกเขาเข้าไปแล้วถูกอาตมาตะเพิดออกมาบอกเออมันแปลกดีนะ กูโกโหกกันน่าเฉยตาเฉยเราไม่เคยรู้ว่าเขาไปเข้าที่ไหนแนละ้วตะเพิดได้ยังไงแล้วเรื่องอะไรต้องไปตะเพิดเพราะว่าเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนธรรมกายเขาเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็มีสิทธิ์เสรีภาพเหมือนกับเราทุกคนที่จะทําอะไรเพื่อศาสนาผิดชอบตั ด, ดีเป็นเรื่องที่เขารับผิดชอบแต่เราไม่ไม่มีสิทธิที่อะไรที่จะไปซ้ำเติมเขา การว่าผู้ที่เลื่อมใสให้การสนับสนุนกิจกรรมของวัดประธรรมากายจะได้บุญหรือได้บาปก็ได้บุญเนี่ยนะเป็นกุศลและเจตนาของท่านเหล่านั้นที่ทําด้วยความรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสเขาเลื่อมใสเขายย อ, ยอย่างนั้นความเลื่อมใสเกิดในที่ใดเข ก, ก็ต่างๆาทำาอย่างนั้นในกรณีอะไรก็ก็ต้องการกระทําสิ่งนั้น<อ>เป็นเรื่องที่เราจะต้องยอมรับเขามันไม่ใช่ว่า ถ้าไม่ทำกับวัดเราแล้วไม่ได้บุญต้องทำกับวัดเราจึงได้บุญบุญนี่มันอยู่ที่เจตนาเจตนาอะไรก็ตามที่ลดละกิเลสลงไปได้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วก็มีความสุขใจเป็นผลก็ถือว่าเป็นบุญผลบุญส่วนเหตุก็คือการลดกิเลสลงไปบนส่วนผลก็คือการให้ความสุขแก่จิตใจนี่ก็ชื่อว่าเป็นบุญ ประการต่อไปถามว่าท่านั่งสมาธิที่นิยมกันเป็นท่านั่งที่ไม่ถูกหลักอานาโมยและเป็นท่านั่งที่ทรมานอาจทําให้ข้อเสียได้ควรนั่งให้ถูกหลักอานาโมยจะเหมาะกว่าทั้งในคนปกติหรือผู้ป่วยตลอดจนผู้สูงอายุเช่นท่านั่งในวัดก็นั่งบนเก้าอี้ จะนั่งในป่าก็นั่งบนก้อนหินหรือขอนไม้ก็ได้อย่าทราว่าถ้าทำเช่นนี้จะผิดหลักการหรือว่าทํามหรือไม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือนอหาสาระของการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยโดยจะทํำยังไงก็ตามให้สามารถสงบนิวรณทั้งห้าประการลงไปได้นะการปริบัตินั้นก็จัดว่าเป็นสมถะในกรณีของวิปัสสนาก็คือการใช้ปัญญาพิณิปิจนา เพื่อถ่ายถอนวิปัลลาธทั้งสี่ประการออกไปจากใจให้มองเห็นขันตั้งห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เปนหน้าตาแล้วก็ไม่มีความสวยงามอะไรจนสามารถบรรเทาถ่ายถอนตัณหามานาทิติออกไปจากใจก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาแล้วรูปแบบนั้นเป็นการพูดในกรณีที่ มันสะดวกสบายนะฮะคือท่านั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดงับลงติไวยายเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นท่านั่งที่หมายความมานั่งแล้วเนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยเร็วแล้วก็ในสมัยโบราณเนี่ยมันก็ไม่มีเก้าอี้อะไรไปนั่งอย่างนั้นก็ต้องนั่งกันอย่างอย่างนั้นเวลานี้อย่างพวกฝรั่งอะไรที่เขามานับถือพุทธเนี่ยเขาก็นั่งไม่เป็น่ะ นั่งคู่บัลลังก์ร่างกายทรงดมบูรณสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยก็ออกนั่งหมอนหมอนรองก้นก็นั่งเท้าก็พับเท้าตามาที่จะพับได้นะ่ะแบบความฝรังแล้วใครก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะต่อไปถามว่าเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าการในบัตสมาธิจึงได้บุญมาก คือบุญเนี่ยเขาวัดกันด้วยการลดของกิเลสสมาธิเนี่ยนาไปลดกิเลสประเภทโทสะประเภทโมหะหรือสมาธิในลดกิเลสประเภทโทสะแล้วก็วิปัสสนาในลดกิเลสประเภทโมหะกิเลสประเภทโทสะนั้นมีโทษแรงแล้วก็คลายได้เร็วกิเลสประเภทโมหะนั้นมีโทษมากแล้วก็คลายได้ช้า ปัาการที่ใครก็ตามสามารถสงบโทสะได้สามารถสงบโมหะได้เนี่ยมันก็เป็นบุญมากสงบโลภะได้เนี่ยบุญน้อยกว่านะฮะเพราะโลภะมันมีโทษไม่มากแล้วมันก็คลายได้ชา้ากว่านั้นเองแต่โทสะเวลาเกิดแรงแล้วมันคลายได้เร็วจริงแต่ว่ามันแรง ส่วนกิเลสประเภทโมหะนั้นก็บุญมากที่สุดหนะถ้าลดลงไปได้เนี่มันก็วัดกันด้วยการลดขอกิเลสแต่ไม่จะอยู่ที่รูปแบบแล้วไม่จะนั่งสมาธิแล้วจะได้บุญมากกว่าอย่างอื่นไม่ใช่ใจจะต้องสงบกิเลสดูตรงโน่นกิเลสจะต้องสงบลงไปจากใจแล้วก็มีความสุขใจเป็นผล ที่บุคคลสามารถสัมผัสได้โดยใจของตอนเองก็ต่อไปถามว่าถ้าปฏิบัติแล้วแต่จิตไม่เป็นสมาธิยังมีความปวดเมื่อยอยู่แม้จะนั่งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจะได้บุญหรือไม่ก็บุญมันได้บุญเนี่ยนะฮะแต่ว่าไม่มากเพราะว่ายังไม่เป็นสมาธิแต่ว่าอย่างน้อ ย, ยระดับศีลเนี่ยมันเกิดแล้ว กายก็สงบแล้ววาจาก็สงบแล้วใจ ย, ยังไม่สงบมันก็ระดับศีลม่นก็เกิดเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นการได้บุญระดับศีลใหม่ระดับภาวนาใหม่แต่ว่าปริมาณของกิเลสลดลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่รู้อย่างน้อยที่สุดก็ระดับศีลก็แล้วกัน อันหนึงก็ถือว่าบุญคือความสุขใจก็อาจจะสุขใจได้นิดหน่อยเพราะถูกสอนให้เชื่อว่าการปฏิบัติสมาธินั่นคือการทำบุญแต่อาจจะเป็นเพียงแค่อุปาทานตามที่เคยได้รับการทังสอนมาไอ้ น, นี่เราเราเป็นเกณฑ์ไม่ได้หรอกนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเราเองแต่คนแต่ละคนเวลานั่งสมาธินี่มันจะเกิดขนภายในจิตนี่แตกต่างกัน สงบบ้างไม่สงบบ้างสงบมากบ้างสงบน้อยบ้างพุ่งสางมากบ้างก็แล้วแต่เพราะเราเอาเกณฑ์ของเรา่าเป็นอุปาทานเข้ามาเป็นจับเนี่ยมันไม่ได้สมาธินี่มันเป็นหลักการกลางๆเวลาวลคนปฏิบัติเอผลมันจะเกิดไม่เหมือนกันบางคนที่สงบมากเขาก็ได้บุญมากสงบน้อยก็ได้บุญน้อยไม่สงบก็ไม่ได้บุญไป แต่อย่างน้อยระดับศีนเขาก็ได้นะฮะเพราะว่าตั้งใจสำรวมระวังงดเว้นไม่ร่วงระเมิดในบทบัญญัติของศีลอยู่แล้วอุปาทานนั้นเป็นอาการที่จิตไปยึดมันมนดม่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจความคราก็เรียกว่ากามุปาทานยึดมั่นโดยอำนาจความเห็นก็เรียกว่าทิฏฐปาทานยึดมั่นด้วยข้อวัดปฏิบัติซึ่งเคยใช้กันมาจนชิน แล้วก็ปรับใจฝังใจในสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าศีลปฏิปุปทานและยึดมั่นว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้นเราเป็นอย่างน้นด้วยเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยก็เรียกว่าอัตวาตวาุปาทานแนวยึดถือเหล่านี้ถ้าหากว่ายึดถือมันก็เป็นศีลปฏิปุปทานแต่เราก็เห็นว่าถ้าได้บุญยังน้อยอยู่มันก็ต้องพยายามเพื่อไม่มากขึ้น มันเป็นโอกาสที่เราจะรีบเร่งสร้างจิตให้เกิดความสงบสร้างความสงบไปเกิดขึ้นภายในจิตและเป็นคุณภาพของจิตที่เป็นสมบัติติตัวจริงๆก็ต่อไปถามว่านั่งสมาธิแล้วไม่ได้สมาธิเหมือนคนอื่นๆที่ทำพร้อมๆกัน พอจะมีวิธีใดบ้างที่จะทําให้สมาธิเหมือนคนอื่นๆเขาทําได้กันคือสมาธิเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การอยากจะสงบนะมันอยู่ที่เราภาวนาไปตามบทที่ท่านกําหนดให้ภาวนาก็แล้วแต่ใครจะใช้ภาวนาอะไรมันไม่เท่ากันไม่ได้หรอกมันไม่มีใครเท่ากัน แม้จะเดินทนกินอาหารได้มากได้น้อยเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันทั้งหมดแต่อ่านหนังสือได้ทนไม่ทนเนี่ยมันไม่มีใครทําได้เท่ากันแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใช้ความพยายามแล้วก็ทําไปเต็มตามกํบบาลังความสามารถของเราที่จะกระทําได้ความสงบจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็เป็นเรื่องของความสงบวงการเดินสมาธิตะรุเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับการปลูกพืช กู้แจส่งอุ ป, ปมาเหมือนการทำนาของชาวนาการไถนาการแปลการหวานการชักน้ำเข้านาการเปิดน้ำออกจอากนาการปากดำตอนนี้เป็นเรื่องของชาวนาแต่ข้าวจะตั้งท้องเมื่อไหรจะออกรวงเมื่อไหร่จะสุกเมื่อไหรนี่เป็นเรื่องของขา้าว คือชนะไม่สามารถจะไปเร่งรัดอะไรเข้าได้เพราะอะไรที่เรามีหน้าที่ทำํำเราก็ทําไปเฉพอตรงนั้นส่วนผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็เป็นเรื่องของผลเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เกิดแต่จะทํำยังไงกับมันไม่ใช่ว่าไปเร่งรัดเอาตามความสบายหรือตามความพอใจของเราเรื่องของการ นั่งสมาธิเนี่ยปัญหาสำคัญว่าอารมณ์ที่เรามากำหนดระลึกเนี่ยต้องไม่ไปถูกอัตยาตัยเราคนทดลองหลา ย, ลายเรื่องเอ า, หล า, ห, ลาหลายเรื่องมาทดลองเช่นาจจะนับลมหายใจเข้าออกดูจุดที่ลมกระทบใช้บทภาวนาวพุทธโธเป็นต้นน่นะฮะบทภาวนาอะไรก็ได้ หรือว่ากำตั้งสติกำหนดตามลมนองไปหรือว่าดูดินน้ำลมไฟอะไรแต่แรงต่างอารมณ์ของกรรมฐานมันมาาีเยอะมันมีทั้งสี่สิบอารมณ์คือคนบางคนเนี่ยเขาสะดวกสบายกับการใช้อารมณ์อย่างนั้นเขาก็ะทำอารมณ์อย่างนั้นแล้วมันเกิดสงบก็ปล่อยเข้าไปเราสามารถสงบด้วยวิธีใดเราก็ใช้วิธีนั้นมันไม่จําเป็นจะต้องไปตามกัน ความสงบจากนิวอณนั้นเป็นเป้าหมายของการเจริญสมาธิต้องฟังทั้งหลายแต่ลรลวงอโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี